เราอธิษฐานไว้แล้วผูกขาดจองขาดแล้วต่อพระพุทธภาษรสมรสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อถ้าคนลกายถ้าคนละวาจการถ้าคนละใจยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธภาษรมระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไป ม, มีประมาณขอให้พระพุทธระธรรมสงฆ์ที่รถเหีย้ยวรถเหยียบย่ําทลงน้าลายคายน้โมกใส่อยู่ทุกเมือม่อมีประมาณเ พ, พื่อพคนทุกในวัดจ้าสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิด เราอธิษฐานไว้อย่างนั้นแล้วมมเมื่อเมื่อเวลาเราไม่ระลึกถึง<ม>ก็คล้ายๆกับว่าเราะระลึกถึงเพราะเราอธิษฐานไว้แล้ว ม, มนุษย์สมบัติพรหมสมบัตินิบทานสมบัติมีอยู่เท่าใดพอดีข้าพเจ้าทั้งหลายจะขออุทิศละคนละกายวายาจใ จ, ใจเป็นมหาสมบัติทั้งหลายเหล่า น, นั้นทูลถวายบูชาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณ เพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจักสงสารโดยด่วนไม่เช่ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันนัรนทอันจิตปัจจุบันนัจิตปัจจุบันนัรนทมันใดที่รุดพ้นไม่กลับกรอกไม่เลสีรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงด้วยโดยไม่เหลือข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกว่ามไม่มีประมาณนั่นเถิดมันก็ต้องลงอย่างนั้ น, น เราจะขอทูลถวายต่อพระพุทธาธรรมประสงค์อยู่ทั้งวันไม่มีประมาณคนอื่นไม่ทูลถวายก็ตามเราทูลถวายคนเดียวเราแล้วลักเอาของเขา ม, มาทูลถวายบูชาพระพุทธศาสนามันไม่พิษดอกหรือมันไม่พิษดอกเพราะของเขาก็ยังอยู่ตามเดิมเราไม่ไปลักเอาแล้วเอากลิ่นมาเอาความเป็นจริงมาบูชาเพราะใดๆในโลกล้วนนี้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกล้วนนี้ มันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วน้าห้อยเฉพมทิจะมีกี่ด้านลาดก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ดีทรัพย์สินใดใในใจโลกธาตุก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกน้าห้อยหนองคลองเมืองบางต่างๆไร ล, ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดทรัพย์สินใดใดในทรัพย์ใจโลกธาตุ หรือคำสอนใดในไตโรกธาตก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอกใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นความจริงในชั้นนี้เป็นอริยสัพจริงอย่างประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาได้พึ่งอันกเกษมแล้วไม่ต้องไปหาที่พึ่งอันอื่นถ้าไปหาที่พึ่งอันอื่น มันก็จะเป็นกบเลือกนาย mm hmm. เดี๋ยวจะถูกนกกระสาลงไปจับกิน mm hmm. ของที่ดีย่อมมีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักเขารบรักและปฏิบัติ mm hmm. อยู่ภายนอกหมู่นี่เดินฝ้าอากาศอะไรต่ออะไรสารพัดในไตรถท่านมันเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั่นละ mm hmm. ไม่พูดอีกก็จริงอีกนะ ผู้มีใจสูงจึงจะยอมยินดีในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของต่ำเป็นของสูงผู้สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วจึงจะสามารถยินดีในเรื่องใสในพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ว่าคนอะไรต่ออะไร ไม่รู้อินูอินอิน อ, น อ, อ, อะไรก็จะมาเลื่อมไสพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงผู้สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วยิงแกเริ่มไสพระพุทธศาสนาได้ไมิฉะนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามนะผู้ใดเริ่อมไสพระพุทธศาสนาก็สอแสดงให้เห็นว่าสร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วแต่ใกกนภพก่อนปัจจุบันพบก็สร้างหลุนขึ้นไปจนกว่าจะถึงเข้าสู่พระนิพพานนะ ท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะนั่นะมีเครื่องให้พูดแล้วนะท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะมีเครื่องให้พูดแล้วนะเราจ้องดูอบา ย, ยมุกเนะ้ออบา ย, ยมุกมันเป็นไฟเผาโรกเนะ้อแต่ชาวโรกชอบเล่นกันคือเล่นไฟ คำสอนใดๆในใจโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เอามาสอนแล้วสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็บอกให้ละไอเว้นหมดแล้วไม่ไม่มีสิ่งที่จะพูดให้ดียิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเลยเะตุนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่ารับถังสัพยัญฉนนงังเกวารปริพุนงังปริสุทธทางพรมจริยังประกาศเสส สมมหาประการจังโพธิยาเมสตามหาประกาจังสีณาส า, า, านามาิบริบูรณ์ทั้งอัฏฐะสร้งพยัญชนะทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องใต้แลว้วไม่มีอันใดที่จะมาแซงได้ทั้งทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะคำสอนใดๆในใตจโลกธาตุจะบริบูรณ์เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยมนุษย์สมบัติก็สอนไว้แล้วสวรรค์สมบัติก็สอนไว้แล้วพรหมสมบัติก็สอนไว้แล้วนิพพานสมบัติก็สอนไว้แล้ว <oms> <asthma> มนุษย์วิบัติก็บอกไปแล้วให้เว้นแต่วันวิบัติก็บอกให้เว้นพรหมวิบัติก็บอกให้เว้นนิพพานวิบัติก็บอกให้เว้นแล้วทั้งสองทางเหตุฉะนั้นพระบรมศาลาจึงลาพวกเราไปซะข้าพเจ้าจะลาพวกเธอทั้งหลายไปละเพราะข้าพเจ้าสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายแล้วทั้งเทวบุตรเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายบริบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะลาพวกท่านทั้งหลายไปถ้าพวกท่านทั้งหลาย จงเอาคำสอนของเราศาสนาคตนั้นเป็นศาสดาเอกของเธอทั้งหลายตลอดการนานเถิอนอย่าได้ประมาททัานผูอย่างนั้นทีนี้สิ่งไหนที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายเป็นไม่มีเลยถ้าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็จะได้เพียงพวกข้าพเจ้าว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้สอนโอวาทศกวาสิกาได้พิสูจนสามารีและเทวบุตรเทวดาอินพรมตลอดทั้งมาน ทั่วทั้งใจโระธาตุสิ่งไหนสิงไหเราได้สอนแล้วถ้าเรายังไม่ได้สอนเราก็จงเพศเพื่งโทษตนว่าเออตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สอนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สอนเป็นความบกพร่องของเราอย่างนี้เป็นต้นแต่เราตรงกันข้ามเราได้สอนแล้วเหตุฉะนั้นเราจรึงไม่ได้เพ่งโทษเราเราจะลาพวกท่านทั้งหลายไปแนละ้วพระบรมศาสดาทุกไหมพราบรมศาสด า, ส, าสอนอย่างนั้น คำสอนใด ใ, ในไตรโกธาไม่เสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสน า, สน า, สนามีทั้งเหตุสมมาธาถึงพร้อมด้วยเหตุมีทั้งผลสมมาธาถึงพร้อ ม, มด้วยผลด้วยไม่เป็นโมฆะเป็นพระพุทธศาสนาที่เต็มเต็มเตรียมอยู่ทุกยุคยุคสมัยพระพุทธทเก้าองค์ใดๆเขามาสอนอันเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่ได้แข่งดีแข่งเดีนในคำสอนกันเลยเป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ดับแปลงแก้ไขเลยเพราะบริบูรณ์แล้ว เอสัตมวชนันโณพระธรรมเป็นของเก่าตุเพสุอ น, นุสุเตสุธรรมสุจักุงอุตสปาธิยาธรรมอุตสปาธิปัญญาปัญญาของเราได้เกิดขึ้นแล้วมิตตาของเราได้เกิดขึ้นแล้วสว่างเหมือนไฟไฟไฟลูงพระบรมศาสดายืนยันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันคำเดียวกันไม่ได้แกลงแย่งกันเลยไม่เหมือนกฎหมายก้หมู่ก้พักก้อนพวของเรา เปลี่ยนแปลงยาก่า ย, ยแต่ละปีละปีแต่ละชุดละชุดหมดเงินตั้งล้านล้านอันนั้นไม่ได้ลงทุนดัดแปลงอีกเลยอันเดียวกันอืแต่พวกเราดัดแปลงกันอยู่นีด่ดัดแปลงกันทําไม ก, ก็เพราะมันดียังไม่พ อ, อพระพุทธศาสนาดีพอแล้วก็มาดัดแปลงดัดแปลงแต่เราเข้าหาเท่านั้นไม่ได้ดัดแปลงดิง่งดิ่งมันดีแคว <laughs> ดิ่งมันดีน่ะลมพัดมาก็ไม่ไกว้ดิง่ง แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตามจริงเท่านั้นไงการตั้งบทกฎหมายเพิ่นในระหว่างบ้านลราก็ดีในบางระหว่างสังคมใะไก็ดีในระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีหรือพ่อประเทศแม่ประเทศก็ดีพ่อตำบลแม่ตำบลก็ดีอำเภอจังหวัดก็ดีหรือพ่อกระทรวงสามญก็ดีที่เปลี่ยนเกย์เปี่ยนเกลียวคำอสอนพระพุทธศาสนาะมันไปไม่รอดเออนอะเานนั้นไปไม่รอดสิ่งนีที่เปลี่ย น, นเกี่ยวพระพุทธศาสนาไปไม่รอด เนบัญญัติว่ามันมีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้มันก็เปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนาเนี้ยมันก็ไปไม่รอดผู้ที่บัญญัติอย่างนี้เขาไปได้ไหมวก็ไปไม่ได้ถูกไหมเราเห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วแต่กรกะเจิงกันไปเลยนั่ น, น, นเสือต่อเสือก็กัดกันนะแต่กระเจิงกันไปเลยนะที่เปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนาะไปไม่รอดเพราะอวดดีต่อพระพุทธศาสนาะ รัฐที่อืนอ่นอวดดีต่อพุทธศาสนาแล้วมันจริงยุ่งเหยิงกันอยู่นี้เอ้าพระพุทธศาสนาเพียงมีศีลห้าเท่านั้นสงบแล้วตาโลกทาตไม่ต้องมีสารต่สวนและตักสินไม่ต้องมีตำรวจทหารไม่ต้องมีอาวุธยุทธภัณฑ์เลยเพียงสัลห้าเพียงศีลห้า ก, ก็ปกครองโลกอยู่แล้วนะไม่ต้องได้ตั้งขึ้นหลายมาตรา ขโมยก็ไม่มีเรือนจําก็ไม่ต้องมีโซ่ตวนก็ไม่ต้องมีคุณแกก็ไม่ต้องมีเอาของใส่เห็บใส่ไข่ไว้นี่ใส่ตู้ไว้ก็กันหนูกับหรือปวกมดเท่านั้นไม่ได้กันมนุษย์นั่นเพราะไม่เกรงว่าใครจะมารักลืมของอยู่ที่รถตั้งหมื่นตั้งแสน ล, ลงไปหาก็ต้องเห็นเพราะเขาร็อกนหน้าหรือหลุดตีนหลุดมือถ้าไม่เห็นก็ไปถามอยู่กับบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเพราะเขไปส่งเท่านั้นนั่น คำสอนพระพุทธศาสนาะปกครองโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่โรคไม่ยอมเข้าพึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ร่มครึมให้โลคบังอยู่แล้วแต่โรคไม่ยอมอวดดีต่อพระพุทธศาสนาะมันก็ยุ่งหยิงกันอยู่อย่างนี้ละนะถูกไหมการทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนะเพราะมันมียางอายนั่นพระพุทธศาสนายืนะยันอ ย, อยู่ทำเป็นโกกรคกบาล กุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้มครองโรคได้คือให้ิความละอายต่อบาปอุตตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทําเป็นโรคกระบาลคือกุ้มครองโรคก็มีสองอย่างนี่ดิความละอายต่อบาปอุตตปะความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้มครองโรคได้ถ้าโรคไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ ก็ไปทําในที่รับนั่นกฎหมายกฏมัตปู่หมกฏพักกฏพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของทาไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกชาวไทยจงรีบเร่งกลิ่ลพุทธศาธสตร์สนาจะไม่หลุดตกไปเป็นอื่นทุกราบลื่นทั้งรัฐราชาถ้ามีอย่างนั้นก็ตรงกันข้าะ พุทโธไม่พาทำชั่วธ ร, รมโมก็ไม่พาทำชั่วสังโฆก็ไม่พาทำชั่วพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวเหี่ยวรั้งอยู่ที่ใจของพวกเราน้อมมาอยู่ที่ใจของพวกเราพุทโธรู้ละความชั่วทำความดีธ ร, รมโมทรงไม้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆพ่อปฏิบัติละชั่วทำดีดีอยู่ที่ใจชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจ นอกจากไกลก็ไม่มีอะไรจะดีจะทั่วนั่นเพราพุทธศาสานายนตลงมาหาใจแล้วทีนี้จิตเหมือนนายกายเหมือนบ่าวอ่ะเพราะจิตใจเป็นนายกของกายและวาจาสั่งให้ทําดีด้วยสั่งให้ทําชั่วด้วยเมื่อทําดีแล้วทําชั่วแล้วกายวาจาก็ไม่ได้มาแย่งเอากับใจใจคนเดียวถ้าเป็นผู้เฉอยนั่นเอะไรล่ะทีนี้นะ เดี๋ยวจะดวยไปทางอื่นใช่ไหมก็ทุกเกิดแต่ความมีซับทุกเกิดแต่ใจซับบริโภคทุกเกิดแต่ทำการงานที่สาบสิารโทษทุกเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นศินทุกในทางโลกีทุกในทางโลกุตะทุกถึงพระโสดาบัน สุกถึงพระกษัตริย์การทุกถึงพระอาณาคารทุกถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นสุขในทางอุดมคติเมื่อเป็นสุขในทางอุดมคติแล้ววัตถุนิยมมันดึงไปเองเพราะวัตถุนิยมมันเป็นเมืองขึ้นของอุดมคติวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีแต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจัง วัตถุนิยมที่หามาได้ในทางที่ชอบคือสังหารี่มาทรัพอะสังหารี่มาทรัพย์ทำไปเอาไปทำบุญมันไม่ได้บุญมากที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ได้บุญมากวัตถุนิยมถ้าจะย้นลงมาก็กายวัตถุวัคีวัตถุมนโนวัตถุเหมือนกัน นัมงลงมาพักในของราัตถุนิยมมีใจเป็นหัวหน้าถ้านิยมไปทางดีมันก็ดีนิยมไปทางผิดมันก็ผิดมีอุรมคติเป็นนายหน้าด้วยคราวใดโลกสนใจในพุทธศาสนา คราวนั้นโลกก็มีขอบเขตคราวใดที่โลกเหลืองเจอออกจากาพระพุทธศาสนาคราวนั้นโลกก็อนละมานทั่วทุกหนทุกแห่งเกิดรายชัยด้วยอัคคีภัยด้วยวาตะัยด้วยวุฒกะภัยด้วยภัยดังสี่ประเภท วาต า, าภัยก็ดีมุตตะภัยก็ดีราคาภัยก็ดีโจระภัยก็ดีเกิดขึ้นในโลกบ่อยๆก็เพราะโลกห่างเหินจากสิธรรมนั่นเองคราวใดโลกหนักไปทางราคะคราวนั้น น้ำจะท่วมคราวใดโลกหนักไปในทางโทสัตคราวนั้นไฟจะไหม้คราวไหนโลกหนักไปในทางโมหะลมจะพัดมันมีในมหาวิบากไ์ใโลกกบิถานแต่ในโลกนี่ถ้าหนักไปในราคะมันก็หนักไปในโทสะมันก็หนักไปในโมหะอยู่ในตัวเพราะมันเนื่องถึงกัน ทุกปรมศาษฎาพูดกับโลกว่าุดชีตีติแปรผู้ย่อยยับไปไม่ได้ทรงส่งเส ร, ริมเลยคมาโลกโรกใช่คำาุดชีตีติแปรผู้ย่อยยับไปในเท่ะนั้นจึงสอนมาให้ยินดีในโรกทั้งปวง จึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวาสะสงสารไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์่ว่าจะมาเป็นเปรตอยู่นในโลกเพราะจะปล่อยให้ผู้อยู่ข้างหลังเข้ามาสืบโลกบ้าเช่นกัพวกที่มีกรรมน้อยนะอาจารย์มาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เป็นมนุษย์แล้วก็อย่ามาขวางเขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ซะก็บรมศาสตราสอนอย่างนั้นแต่พวกเรา สั่งสอนกันหวังว่าจะมาเป็นเศด เ, เข้าโลกอยู่นี่นี่เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาส น, เ น, นาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดนี่นี่นี่ไม่ใช่ของใครในไตรอกระธาเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเข็นเท็จจะมีกี่ล้านลานก็ชี้ไปในทางเท็จเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอน ใ, นใดๆจะเป็นเมืองเครื่อ ง, ค, งคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็สิ่งอีกเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึงได้หลายทางน้ำห้อยนกครองบึงบางต่างๆไร่ลงสูงมหาส ม, มุทรทะเรโดนในรู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไร่ลงสูงคำสอนใน พ, พุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเหตุฉะนั้นจึงไม่ควรลบหลู่รูมิ่นพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเป็นจราจนสมัย ก็ยิ่งเข้ากอดแข้งกอดขาพระพุทธศาสนาหนักเข้าจึงถูกเพราะพระพุทธศาสนาเป็นธรรมศาสศาสนาเป็นพุทธศาสนาธรรมศาสศาสนาสังฆศาสนาเป็นดิงแล้วเพราะชาวโลกก็พูดกันว่าขอความเป็นธรรมขอความอะไนคาว่าขอความเป็นธรรมจะขอธรรมจากศาสนาใดถ้าไม่ขอธรรมจากศาสนาพุทธธรรในศาสนาอื่นมีด่านอื่นพ้อมเทง จะเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมบัติก็เป็นธรรมก็มีที่เป็นธรรมบิมว่าไม่เป็นธรรมก็มีนั่นขอความเป็นธรรมขอจากศาสนาไหนเอ้ขอถามให้ตอบมาเถอะให้ตอบมานี่เอา้าตอบใครจะตอบก็ตอบจะขอในศาสนาไหนอันธรรมเขว่าเป็นธรรมเป็นธรรมใครก็พูดกันบ่อย แต่ว่าทําในศาสตร์คณะอื่นๆมันขัดแย้ต่อทำพระพุทธศาสนาไปมากสิ่งที่ที่เป็นบาปมันว่าเป็นบุญก็มีนั่นแล้วจะว่าทาจากศาสตร์คไหนนี่หน้าหน้าพี่ารณามากมีท่านผู้สนใจไหมในข้อขนี้พระพุทธศาสนาเป็นทำพอแล้วมันมีสิ่งที่จะแก้ เพราะทำต่อแล้วพยายามดีไหมอย่างนั้นไหมก็ไม่ถูกเพราะทำเพราะความเป็นธรรมต่อวันอุ ก, กาบาตวันโกวันวันโลกามีนาศก็ไม่ถูกเองเพราะความเป็นธรรมต่ออันไหนก็ไม่ถูกเพราะความเป็นธรรมต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบรร ญ, ญัติธรรมถูก มันอยากกุศลถูกสิ่งไหนที่เป็นบาปพระพุทธศาสนาบัญญัติแล้วถ้าผู้ไปล่วงละเมิดก็เป็นบาปกิ้งบาปน้อยรละมากตามส่วนคนข่าที่ล่วงบุญก็เหมือนกันมรรคผลเนจะผ่านก็เหมือกันสัทธังสัพ ย, ยนนัญชนงเกวรารปริปุณังปุริพุทธทางภูมิจันยางประกาศเสสืบริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพ ย, ยนนัญชนะแล้วรัตถิอื่นๆม่ได้ยืนยันหมอนั้งพุทธศาสนาเน้อนั้น บางท่านก็บอกว่าเออนับถืออันไหนก็ดีหมดก็ดีหมดสิแต่ ว, ว่าดีกว่ากันมันมีอยู่สิเอาลัทธิอื่นๆมาขึ้นะเตจกับพระพุทธศาสนาก็น่าสังเวชแล้วก็เอาพระพุทธศาสนาไปชกมวยกับาศาสนาอื่นก็น่าสังเวชอีกเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชก กับรักที่อื่นๆมันก็น่าทั้งเวทเกินไปถูกไหมของดีนําให้คะแนนดีก็เรียกว่าฉันทากติโทษาคติโมหคติทยาคตินําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากตินําเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทษาคตินําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติ นำเอียงเพาะเข่ารู้เท่าม่ซึ่งการเรียกโมหาคติและคติอีสีประการนี้ในส่วนปะพุติเราให้คะแนนพระพุทธศาสนาว่าดีกว่าลทัทธิอื่นๆก็เ ก, งก่งจะพิชใจโลกมันก็ไม่ถูกนะเนี่ยเราปตีเสมอข่ากันหมดหน่าสงสารน่าสงสารจะกงทักวันเนี่ยน่าสงสารความเห็นของ พ, พระพุทธศาสนาเอาพระพุทธศาสนา ไปซ่อมมวยกันกันกบรัฐที่อื่นๆเอาพระธมาท่าพระพุทธเจ้าไปชก ม, มวยหรือชกเพือ่อเป็นชกท่านก็เด่นอยู่แล้วนี่ <S <S ที่นี่ท่านผู้ใะจะไหวยังไงอ้าทถ้านโกกรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปก็กลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่รรมีความกลัวต่อบาปแล้ว อะไรอะไรมันตั้งมาอยู่กฎหมายกฎหมู่ก็ตั้งมาอยู่กฎหมายกฎหมู่กฏพักกฏพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของทําไม่ น, ำำนําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนั่นพระพุทธศาสานาเอาไปแล้วนั่นกฎหมายกฏหมู่จะตั้งกี่ล้านมาตราก็าตามมันก็ไม่อยู่เพราะไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลักวต่อบาปโลคเก็ะอนามันนั่นนั่นนั่น พระพุทธศาสะนาเอาไปเจริญก่อนแล้วเนี่ยคําพูดทำทั้งหลายเป็นวังคืนของคําสอนอันนี้หมดการปกครองโลกนถ้าไม่มียางอายต่อบาทไม่มีความกลัวตบบาทแล้วปกครองโลกไม่ได้ทำในโล ก, ก บ, บาลคุ้มครองโลกสองอย่างความอายตบบาทความกลัวตบบาทเท่นั้นจะคุ้มครองโลกได้นถ้าโลกมันมียางอายตบบาทไม่มีความกลัวตบบาทแล้วจะปกครองรับที่ไหนก็ไปเถิดมันไม่อยู่รอกนั่น ทำความเพียรในคิดแจ้งมาได้ไปทําในคิดรับนะครเพราะบาปและบุญมันไม่ไม่อยู่ในคิตใจของมนุษย์มันอยู่ในตัวหนังสือนี่สาคัญมากดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีค่าด้านจริรตเป็นของสําคัญถ้าไม่ถ้าไม่ปฏิบัติด้านเทเรตแล้วก็มันก็ไม่มียางอายต่อบาปแล้วหนั่งนัก น, น, น, นัอันนี้สําคัญมาก เา พ, พี่น้องชาวพุทธพิจารณาด้วยกันทางวัสถุนิยมจะเจริญขึ้นก็เพราะมีอุดมคติเป็นหลักมีบาปบุญคนโทษเป็นหลักแหล่งเสียก่อนเพฉะนั้นบุญที่บัญญัติไว้ในพุทธศาสนาจึงเป็นของมีมค่าท่านทำไมบุญสำเร็จจากการบริจาคทานที่ทำไมบุญสำเร็จจากการรักษาศีล ภาวนาใหม่บนสมเด็จด้วยการเจริญภาวนาอัปจารย์เนี่ยทำไมบนสมเด็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้ใหญ่คือเขาเลิกพพุทธธรรมประสงค์เป็นเป็นต้นเป็นหลักเมียยะวัจจะใหมบุนสมเด็จด้วยการช่วยคนควายในสิจที่ชอบวัิทานะใหม่บนสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญวัตตานโมธนาใหม่บนสมเด็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมัตสวรรณามัย่บนสมเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเัสยาธนาใหม่บญสมเด็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ตรงนั้นพพุทธศาสนาบรรดาไว้ย ความเห็นให้ตรงคือเห็นยังไงเห็นอาบาปมีบุญมีเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีเห็นอาวัคคุณนี่พานมีเห็นว่าพระพุทธศาสนาเด่นกว่าโลกทลั้งปวงเรียกว่าเห็นจำจริงๆเรียวกว่ที่ตุกุกกรมการคำว่าความเห็นให้ตรงของที่มีราคาสูงเราจะเอามาเทียบกับของต่ำเขาเรียกว่ า, าระลาเอียงเรียกว่าไม่รู้จักของดี วุติสา ร, รมสาสตรสิเป็นผู้สอนของเทวราเอเป็นผู้ฝึกตนและฝึกท่านผู้อื่นเหมื่อนายสารสีทศชาเทว ม, มนุษยานังเป็นผู้สอนของเทวราในมนุษย์ทั้งหลายนั่นทุกยุคทุกสมัยเป่งสีหานาดเลยทีหานาคทางละทันเตเตวุติสาสุติสารธาทุกทุกพระองค์เลยนั่นเป็นศาสนาอันเก่าในขาะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควสรสงสัยไม่ควสรสงสัยในศาสนาพุทธก็ไม่ควร จะเป็นกฎเลือกนายะหานายอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนะถูกไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่พวกเราจะควรคิดทั้งนั้นแหะถ้าอย่างนั้นการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแน่นไม่นาเนี่ยมันกไยไปกไยมาอยู่ก็เพราะเหตุว่า ยังสงสัยรัฐที่อื่นเจริญพระพุทธศาสนาไปอยู่นั่นถ้าสงสัยรัฐที่อื่นเจริญพระพุทธศาสนาไปอยู่ความสงสัยมันก็หนักขึ้นนั่นมิจิจิษากอลังเลย น, นี่มีปฏิบัติกรุ๊ปคําำฝังลงก็ไม่ลึก น, นี่นั่นแผนนี้นะสองแสนสี่หมื่นยอดเขาเอาลูกระเบิดประมานุทาลายแตกการถึงาาพระพุทธศามนระสง์ลึกกว่านั้นมันมีใครทําลายแตก จะตายกีชข้ากี่พรกประามไม่ยอมหนีจากพระพุทธประธรรมประสงค์เลยจะมีผู้มาเป่าหูจักเพียงไหนก็ไม่ไปอันนั้นจึงถูกนแล้วอันนั้นก็ถือบ้าอันนี้ก็ถือบ้าอันนี้ก็ถือบ้ า, นนบามันบ้างหลายอันสิเนี่ยพามก็จะถือเพลงก็จะถืออะไรก็จะถืออืถือแล้วอันหลุดบาทสนี้ไม่ได้สักอันเลยลุดตูมตีมตูมทีมลงเรียกว่าสงสยัยวิจิตรฉา ข้อสอนของพระพุทธศาสตร์นะมีมนุษย์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีสวรรค์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพรมสมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพระญาพานสมบัติเป็นชุดท้ายนะบริบูรณ์หมดทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายเบื้องต้นคือเสียงเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคือพระสุปฏิปันโนเบื้องกลางคือพระสจกะาคมิลานาคามเบื้องท้ายคือพระอรหันต์โอ้บริบูรณ์หมดแล้ว ถ้านอกเหนือไปกว่านี้แล้วไปไม่รอดที่พูดนี่ไม่ได้หวังว่าเาจะให้สงสัยนพุทธศาสานาเนี่ยถ้าสงสัยนะวพุทธศาสานามันก็ปฏิบัติยากเดี๋ยวเขามาเป่าไปเรื่องถือผีก็ไปกับเขาเขาเป่าไปเรื่องละที่นั่นที่นี่ก็ไปกับเขาเนี่ยมันก็ลำบากมันหนักใจตั้งหน้าต่อบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียงเดียว พุทโธแฝงผู้รู้ละบาปบาเพ็ญบุญธรรมโมสรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสั้งโคปฏิบัติละบาปบาเพ็ญบุญคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธธารมพระสงหมดคุณท่านผู้มีคุณคุณเทวบุตรเทวดาพระเอ็นพระผมพระยมพระการจะาสโลกบาลทั้งสี่ยลีตลอดทั้งแม่กวรอิมควรอําอะไรเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดนั่นนั่นนั่นนั่นศาสนาอื่นเป็นเมืองครขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดนนั่นั่นนั่นนั่น เช่นพม่าคณะสาเรบุตรก็มายอมนับถือพระพุทธศาสนาเราเสียก่อนจึงสําเร็จพระสสดาบาล น, นั่นเขีนไหมนั่นแต่ก่อนอยู่สวนัยนาตบุตรมาเรื่อมใสพระอัชชีเสียก่อนจึงสามารถสําเร็จพระสสดาบันใช่ไหมนั่นขพราะนี่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะยืนยันถ้าไม่ชาวพุทธม่ยืนยันจา้าหตผีต่อไหนมายืนยันนั่นรัะที่อื่นเขาก็ยังยืนยันศาสนาเขาเราก็ยืนยันยันศาสนาเราสิ นั่นเราไม่ไดเบียดเบียนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนศาสนาพุทธเขาตัดหัวไปร่างเท่าหนะ่ะตัดคอพระพุทธรูปไปร่างเท่านะ่ะเราไม่ไทาเขาอยากขนาดถึิงสาดนั่นหนักเห็นหมนั่นนั่นนั่นนั่นมีประโยชน์ไหมพูดอย่างนะีก็มีประโยชน์เพื่อมาให้ลังเลสงสัยนั่นเองนักเพื่อให้คัด การฟังเทศย่อมได้ฟังสิ่งที่ย่อไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นครัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องเมื่อทําความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตใจก็ผ่องใสหนักมีอันในสงห้าอย่างแสดงธรรมไปโดยลําดับไห้ตรัสให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งใจในตาปัดทนายเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมพอเหงนแก่ลาบไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นเพวไม่ยกตนเสียสีผู้อื่น พูดตามเป็นจริงอันนี้พูดตามเป็นจริงไม่ใช่กระเทือนสิ่งไหนที่มันดีก็ต้องพูดว่าดีสิ่งไหนที่มันมันดีพูดว่าไม่ดีก็เรียกว่าลำเอเียงเนี่ยมันไม่พูดตามลำดับของดีของไม่ดีนะต้องยินดีใน่ารพูดถศาสตร์นาต้องมีสินห้าบริบูรณ์ต้องเรื่อมใสภายในพูดถ้าศาสตร์สน้าด่งถอนไม่ออก ก็ไม่เสียดายล่วงละเมิดสินห้าไม่เสียดายอากล่วงละเมิดอบายยมุขไม่เสียดายอยากค่าขายงครื่ทหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารไม่เสียดายค่าขายนมอราไม่เสียดายค่าขายยาพิษไม่เสียดายพบาะเม็ดชั่วนั่นภูมิของสุปฏิปโนสุปฏิปโนเท่านั้นพระบรมศาสตร์ทศดารับรองว่าเป็นผอมฉันเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาต่ำกว่านั้นไม่รับรองเลยนั่น ว่าสันทิษทีโกก็เหมือนกันก็ยืนยันชุบก็จะก็ยืนยันเอาภูมิของเระสัดาวบันเป็นต้นไปคําว่าอาการทโกก็เหมือนกันคําว่าปัจจิตตังก็เหมือนกันถ้าจะว่าสันทิษทีโกไม่มีขอบเขตอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดเช่นพวกเขารักจกจกห่อที่พ้นเขาก็เป็นสันทิษทิโกเหมือนกันเขาก็รู้ว่าเขาก็พฤติเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เขาไม่รับสารภาพจะจัดเป็นสันทิษทีโกได้ไหม จับมันก็เป็นฟันเผือเกินไปคําว่าสันพิกีโกในที่นี้หมายถึงสวกขาธรรมที่เป็นชุปฏิปันโนนับจากพระสวสดาบาลเป็นต้นไปอันอื่นมีด่าเดืนดตมเกไม่ต้องเอามาปนเปนในทางพระพุทธศาสนาเลยนั่นเอาไว้ข้างนอกซะถ้าเป็นสนามมวยก็เป็นมวยนอกข้อถ้ารัที่อื่นหรืออะไรอื่นๆจะมาอวดดีต่อพระพุทธศาสนา มันก็คล้ายๆกับว่ากาก็คล้ายๆครับว่าอึ๋งอ่างครับวัวอึ่งอ่างครับวัว แ, แม่แม่แม่แม่วันนี้มีสัตว์ตัวใหญ่เหลือเกินมาเหยียบลูกของแม่ตายหมดดังแต่ผมตัวเดียวครับแม่มาจากอาชิพแม่อึ๋งอ่าง เแม่เออาอาก็พองตัวกันว่าเท่านี้ได้ไหมมันยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมท่อแตกตายคาที่ชันในกรณีรักที่ อ, อื่นทองตัวให้เสนอพระพุทธศาสนาะท่องแตกตายคาโลก รับดังแต่กันตูมตามๆๆอย่างนี้นเห็นไหมพูทีดถือมันมีบาปมีบุญไปได้ไหมนั่นแต่กระจรใช่ไหมผูดเถื่อมันมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่คณยาคุณตาคุณนายคุณยายไปได้ไหมนั่นไปไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะผึงถ่ายในเวลานี้เออถ้าเราไมา่ยืนยันจะให้ผีกันเมายืนยันนะ เราไปยืนยันพ่อยืนแม่ยันแม่ของเราเราจะให้ผีกอนไหนมายืนยันเขาเขะหัวพ่อหัวแม่เขาเราอยู่แล้วก็ยืนยันพ่อแม่เราสิเราก็ต้องรักษาพ่อแม่เรานั่นเราจะปล่อยเขาเขะหัวพ่อหัวแม่เราก็ไม่ได้เราก็ต้องยืนยันปกปิดไว้นั่นมันมีอยู่ประจําโลกก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะตามบุญตามกรรมลอยน้ําไม่เอามือกวักมันก็จมตาย ลูกห ล, ลานๆเลี้ยงของเราก็พลอยไปเป็นหมดเนี่ยนั่นทีนี่ถ้ามีผู้มาปัน่นเอาลูกๆหลานๆของเลเ้ยงของเราไปหมดเนี่ยที่นี้เราตายก็เป็นใครจะสืบสาสนไปอันนี้ไม่คิดบ้างเรือเนี่ยนั่นๆๆนั่นนั่นนั่นนทีนี้เขาเอาปัน่นเอาลูกเอาหลานเอาไปเมื่อเราตายใครจะทํามนุษย์ให้เราไม่มีเนั่น แต่พวกเรานะี่ยขับปั่นไม่ได้หรอกลูกล้านๆของเราระวังให้ดีเราไม่ทำเป็นตัวอย่างเขานังนี่น้ำาเขาหาว่ า, า, า, าพุทธมารพระพุทธเจ้าเป็นชาว่าคคลเขาอีกด้วยนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะยืนยันของเราไว้มีผู้มักค่ารพระพุทธ ศ, ศาสนาะเรามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้เรานักแน่นะพุทธศาสนาะอันนั้นจึงเป็นผู้เห็นธรรมเดี๋ยวคอยจะหวั่นไหวไปตามเขาด้วยเดี๋ยวเาไม่เห็นเดี๋ยวเขาไม่เชื่อหมู่มากระวังปากอยู่พันเดียวระวังจิตเราไม่ระวังละถูกไหมเลือทุกหยดเราโบชาต่อพุทธศาสนาแล้ว ตายต่อพระพุทธศาสนะชาติละเมืองข้ากมาตามมันยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยัน <c oughs> ผู้เบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมก็วิชาบ้วนทำลายขึ้นฟ้ามดไตรสชาติบวนทำลายขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึง ผู้หาอุบายเบีเบียนพระพุทธศาสนาก็คือวิชาเอาเม็ดพันธุ์ปะกาศตะขว่างใส่ภูเขาหิบหิมาอะไรทีเหล่านี้เป็นหน้าที่จะรู้ไว้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะหวั่นไหวมันก็ไม่เชื่อทีนี้ฟังไม่แน่นฟังจิตใจไม่แน่นฟังสิ่งอื่นไม่แน่นไม่เป็นปัญหาฟังจิตใจไม่แน่นนพระพุทธศาสนาสร้างปัญหามากเบียดเบียนเจ้าของเอง หลักคิดหักใจมาแน่นยินดีในพระพุทธศาสนาชน ะ, ะนนความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในมรรคผลพานชนะความยินดีในอามิตทั้งปวงยินดีในพระมรรคผลพ涅槃ในทางพุทธศาสนาะมรรคผลนพานในรัฐที่อื่นๆอย่ามาเอามาพูดเลยลัฐที่ในรัฐที่พระพุทธศาสนาะพูดต้องเสงเลย นักเที่ยงอื่นเขาก็อ้างพระนิพานเหมือนกันแต่เขาอ้างพรมมโลกทีนี้พระพุทธศาสนมมาพรหมโลกก็คือพรหมาจันทร์อันชุดท่าย่างเขาพูดย่งงษษานั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพรามเหมือนกันพรามของข้าพเจ้าคือพระรหันสนักข้าพเจ้าคือพระรหันเขาเรียนกนาคพระ อ, องค์เขาเรียกว่านาคเหมือนกันนาคของเราคือพระรหันท่านพูดอย่างนะ้นพรามของเราก็คือพระรหันท่านพูดอย่างนั้น พุทธศาสตร์ไม่มีในทางพุทธศาสตร์เลยนะยนกนิจฉาณกถาก็ม่มีในทางพุทธศาสตร์เนะถ้าพุทธศาสตร์ชนาค้ามไปแล้วตายไปแล้วพ้นไปแล้วทุตปฏิปโนเป็นผููปฏิบัติดีแล้ว